ปริเสษที่สองจิตตวิสุทธิจิตตวิสุท ธ, ธิคือความหมดจดแห่งจิตแม้คำนี้จะกล่าวถึงจิตก็หมายถึงสมาธิที่เกิดร่วมกับจิตเพราะเมื่อสมถะสมาธิหรือวิปัสนาสมาธิมีกำลังแก่กล้านิวรห้าที่รบกวนจิตย่อมไม่เกิดแทรกขึ้นจะมีสมาธิที่แน่วแน่อยู่ในสมถารมหรือวิปัสนารม เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสมาธิดังกล่าวเป็นจิตวิสุทธิอย่างแท้จริงจิตที่มีสมาธิเกิดร่วมนั้นย่อมจะหมดจ์จากนิวรด้วยกำลังของสมาธิสมาธิสามประเภทสมาธิที่เข้าถึงระดับจิตวิสุทธิมีสามประเภทคือ 1. อุปจารสมาธิสมาธิใกล้ชานสมาธิใกล้จะแนบแน่น สองอปนาสมาธิสมาธิแนบแน่นสามิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะสมาธิสองประการแรกคืออุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิกล่าวไว้ตามสมถยานิกะผู้เจริญสมถะแล้วอาศัยสมถะเป็นบาทของวิปัสนาสมาธิเหล่านี้พบในคำพีวิสุธทธิมักว่า โดยแท้จริงแล้วสมาธิมีสองประการคืออุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิจิตย่อมตั้งมั่นด้วยอาการสองอย่างในฐานะแห่งอุปจารสมาธิหรือในาฐานะที่บรรลุอัปนาสมาธิในบรรดาสมาธิเหล่า น, านั้นจิตย่อมตั้งมั่นด้วยการละนิวรในฐานะแห่งอุปจารสมาธิและตั้งมั่นด้วยความปรากฏแห่งองชาญ ในฐานะที่บรรลุอปปนาสมาธิส่วนคณิกะสมาธิกราวไว้ตามวิปัสสนาญาณิกะผู้เจริญวิปัสสนาโดยตรงพบในคำพีวิสุทธิมารคที่แสดงสมาธิทั้งสามประเภทว่าความสุขที่พัฒนาแก่กล้าขึ้นย่อมยังสมาธิสให้บริบูรณ์คือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอปปนาสมาธิ แม้คำพีดีกาของมุลปั น, นาฏก็ระบุถึงคณิกะสมาธิที่เกิดแก่ผู้เจริญวิปัสนาเป็นหลักว่าพระอัตถกถาจารย์ห้ามอุปจารสมาธิด้วยคำปฏิเสธว่าสมัสถังอนุปาเทตวาไม่ยังสมัสถิให้เกิดขึ้นแต่ไม่ห้ามคณิกะสมาธิ เราวิปัสสนา่อมไม่เกิดขึ้นโดยปราศจากคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเป็นกามาวจรสมาธิที่เกิดแก่ผู้เจริญสมถภาวนาผู้ที่บรร ล, ลุปฏิภาคคณิมิตในขณะที่ปราศจากนิวรธรทำแล้วหรือสามารถรับรู้พระพุทธคุณเป็นต้นได้อย่างชัดเจนหมายถึงสมาธิในกสินสิบอสุภาษิบ กายคตาสติอาณาปานะพรหมวิหารสี่และอรุปกรรมฐานสี่โดยตรงทั้งหมายถึงอนุสติแปดปฏิกูลสัญญาและธาตุวัตถฐานโดยอ้อมเพราะกรรมฐานสิบอย่างเหล่านี้ทำให้บรรลุถึงสภาวะที่ปราศจากนิวรณได้แต่ไม่อาจทำให้บรรลุฌานได้ จึงจัดเป็นอุปจารสมาธิโดยอ้อมอัปนาสมาธิเป็นสมาธิที่แนบแน่นอยู่ในกสินารมเป็นต้นที่กำลังเพ่งอยู่หมายถึงสมาบัติ8หรือ9คือรูปฌานสีและอรูปฌานสี่ตามจตุกนยัยหรือรูปฌานห้าและอรูปฌานสีตามปัจจกในใย ขนิกะสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดชั่วขณะเมื่อกำหนดรู้สภาวะธรรมอยู่ย่อมปรากฏขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นในอารมณ์ปัจจุบันที่เป็นรูปนามอย่างต่อเนื่องปราศจากนิวรในขณะที่อินสีห้าคือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญามีกำลังสม่ำเสมอกันแก่ผู้เจริญวิปัสนาภาวนา จิตตาวิสุทธิของสมัตยานิกะและวิปัสสนาญานิกะผู้ที่เจริญวิปัสสนาโดยอาศัยอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิชื่อว่าสมถตยานิกาคือผู้ดำเนินไปสู่มรรคผลและนิพพานด้วยสมัตยานสมาธิทั้งสองอย่างนั้นจึงเป็นจิตตาวิสุทธิ ซึ่งเป็นที่อาศัยของสมถยญานิกะส่วนผู้ที่เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่อาศัยสมาธิทั้งสองนั้นชื่อว่าสุทธวิปัสสนายานิกะคือผู้ดําเนินไปสู่มรรคผลและนิพพานด้วยวิปัสสนายาล้ว น, วนบุคคลประเภทนี้มีขณิกะสมาธิอย่างเดียวเป็นจิตตะวิสุทธิ ข้อความที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับสาธทว่าจิตตวิสุทธินามะสอุปาราอัตถะสมาปติโยสมาบัตแ8ดพร้อมทั้งอุปจารสมาธิชื่อว่าจิตตวิสุทธิในที่นี้ท่านไม่ได้กล่าวถึงคณิกะสมาธิไว้เพราะต้องการจะเน้นถึงการเจริญภาวนาของสมตญาณิกะ หรือต้องการจะแสดงจิตตวิสุทธิที่บุคคลเจริญได้ก่อนจะเกิดวิปัสนาญาณอันหนึ่งคณิกะสมาธิย่อมเกิดขึ้นในวิปัสนาจิตเท่านั้นไม่เกิดขึ้นในเบื้องแรกของการปฏิบัติแต่ที่นับรวมคณิกะสมาธินี้ไว้ในอุปจารสมาธิเพราะคล้ายกับอุปจารสมาธิซึ่งปราศจากนิวรเช่นเดียวกัน เมื่อกรรมฐาน12อย่างมีอนุสติกรรมฐานเป็นต้นที่นับว่าเป็นอุปจารสมาธิเหมือนกันดังข้อความในอัตถกถาของมหาสติปัฏฐานสูตรว่าเสสาณิทวัตสาปิอุปจารกรรมฐาน า, นาเนวะกรรมฐานสิองอย่างที่เหลือชื่อว่ากรรมฐานที่ก่อให้เกิดอุปจารสมาธินั่นเทียว เมื่อถือเอาความดังนี้ข้อความในคำพีต่างๆย่อมสอดคล้องไม่ขัดแย้งกันดังสาทกจากคำพีวิสุทธิมารคมหาดีกาว่าสมะอย่างเดียวเป็นยานชื่อว่าสมถตญาณสมถตญาณ น, นั้นมีอยู่แก่บุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าสมถยานิกะคำนี้สามารถใช้เรียกผู้ที่จเจริญวิปัสสนาโดยตั้งอยู่ในฌาน หรือสมาธิใกล้ชานการปฏิบัติวิปัสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องหน้าย่อมมีแก่สมถยานิกะแต่วิปัสนาญานิกะไม่ต้องอาศัยสมถะฉะนั้นพระอัตถคตาจานจึงกล่าวว่าสุทธวิปัสนายานิกโกผู้มีเพียงวิปัสนาเป็นญาณหมายถึงผู้มีญาณคือวิปัสนาที่ไม่อาศัยสมถภาวนา ข้อความข้างต้นนี้แสดงว่าผู้เจริญวิปัสสนาโดยอาศัยสมาธิระดับอุปจาระหรืออัปนาชื่อว่าสมถตญาณิกะส่วนผู้เจริญวิปัสสนาโดยไม่ได้อาศัยสมาธิทั้งสองนั้นชื่อว่าสุทธวิปัสสนาญาณิกะดังคําว่าเทวทัตโตทิวาณพุตโตถูโลเทวทัต ไม่กินข้าวตอนกลางวันแต่เขาเป็นคนอ้วนคำนี้หมายถึงการกินข้าวในเวลากลางคืนโดยปริยายดังนั้นสุทธวิปัสสนาญาณิกะจึงอาศัยคณิกะสมาธิเป็นหลักในการเจริญวิปัสสนา คำพีวิสุทธิมรัก์มหาดิกากล่าวถึงสมาธิประเภทนี้ว่าโดยแท้จริงแล้วการบรรลุโลกุตรธรรมย่อมไม่มีแก่สมาธยานิกะโดยปราศจากสมาธิที่จำแนกเป็นอุปจาระและอัปนาการบรรลุโลกุตรธรรมย่อมไม่มีแก่วิปัสสนาญาณิกะโดยประสจากขณิกสมาธิ และการบรรลุโลกุตรธรรมย่อมไม่มีแก่บุคคลทั้งสองโดยประศจากขนทางสู่วิโมกซ์สาคืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสมาธิเจวะวิปัสสนัญจะภาวะยะมาโนโอบรมสมาธิ และวิปัสสนาปัญญาอยู่อันหนึ่งเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนจะนำข้อความจากคำพีอัตถกถามาอธิบายควบคู่กับคำอธิบายของพระดิกาจาร์กล่าวคือในคำพีวิสุทธิมัตมีคาถาเริ่มต้นว่าภิกษุผู้เป็นคนฉลาดมีความเพียรมีปัญญาอย่างเห็น ตั้งอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและปัญญาอยู่นั้นพึงทางชัดนี้ได้พระดำรัสว่าจิตตังปัญญายันจะภาวะยังอบรมจิตและปัญญาอยู่แสดงวิธีปฏิบัติเพื่อทางชัดคือตัณหาคำว่าจิตในที่นี้หมายถึงสมาธิส่วนคำว่าปัญญาหมายถึงวิปัสสนาปัญญา ดังคมภีอธกถาอธิบายว่าบาทคาถาว่าจิตตังปัญญจัจะภาวะยังอบรมจิตและปัญญาอยู่หมายความว่าอบรมสมาธิและวิปัสสนาอยู่โดยแท้จริงแล้วสมาธิแสดงไว้โดยมีจิตเป็นหลักและวิปัสสนาปัญญาก็แสดงไว้ โดยชื่อว่าปัญญาข้อนี้หมายความว่าผู้เจริญสมาธิและวิปัสสนาย่อมจัดฐางชัดคือตัณหาได้กล่าวคือเป็นพระอรหันต์ผู้ประศจากตัณหาโดยสิ้นเชิงคำอธิบายในคำพีอธิกฐานนี้ท่านมิได้ระบุว่าบุคคลไหนควรเจริญสมาธิประเภทใด และเหตุใดจึงควรเจริญสมาธิและปัญญาควบคู่กันไปดังนั้นคำพีดิกาจึงอธิบายโดยจำแนกเป็นสมัตยานิกะและสุทธวิปัสนาญาิกะดังที่ได้นำมาเสนอไว้แล้วนอกจากนี้พระดิกาจารย์ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสมัตยานิกะต้องเจริญ อุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะบรรลุมรรคผลได้ส่วนวิปัสสนาญาณิกะต้องเจริญขณิกะสมาธิเท่านั้นและจะบรรลุธรรมได้และบุคคลทั้งสองประเภทต้องเจริญอนุวิปัสสนาสที่เรียกว่าวิโมกขมุก ค, คือหนทางสู่วิโมกจึงจะบรรลุธรรมได้ โดยประการดังนี้นักปฏิบัติพึงเจริญสมาธิสามอย่างและอนุปั ส, สนาสมอย่างตามสมควรจึงจะบรรลุธรรมและทางชัดคือตัณหาได้ถ้าไม่เจริญสมาธิและวิปั ส, สนาดังที่กล่าวมานี้ก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลและทางชัดคือตัณหาได้ดังพระอัตถกถาจารกล่าวว่า สมาธิเจวะวิปัสสนัญจะภวะยามาโนประวัตอบรมสมาธิและวิปัสนาอยู่วิธีเจริญมรรคสองประการตามข้อความในคำพีมหาดีกานี้แสดงว่าวิปัสนาญาณิกะไม่จำเป็นต้องเจริญอุปจารสมาธิหรืออปนาสมาธิเจริญเพียงคณิกะสมาธิเท่านั้น และคณิกะสมาธิก็สามารถทำให้เกิดจิตวิสุทธิจนกระทั่งบรรลุมรรคผลได้ข อ, อนำสาทกจากอัตถกถาของมูลปัณาน ธ, ธรรมธายาทสูรมาแสดงไว้ในที่นี้คำว่าภาวนาโยวิธีเจริญภาวนาหมายความว่าโยคีบางคน จเจริญวิปั ส, สนาโดยมีสมถะนำหน้าบางคนจเจริญสมถะโดยมีวิปั ส, สนานำหน้าถามว่าจเจริญอย่างไรตอบว่าบุคคลบางคนในพระศาสนานี้ย่อมปฏิบัติให้เกิดอุปจารสมาธิหรืออั ป, ปนาสมาธิก่อนสมาธิทั้งสองนี้ชื่อว่าสมถะเขาย่อมกําหนดรู้สมาธิหรือธรรม คือจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับสมาธินั้นโดยสภาพไม่เที่ยงเป็นต้นปัญญาที่กำลังรู้นี้ชื่อว่าวิปัสนาเมื่อเขาจเจริญอยู่ดังนี้สมถะย่อมเกิดขึ้นวิปัสนาย่อมเกิดภายหลังดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าจเจริญวิปัสนาโดยมีสมถะนําหน้าเมื่อเขาจเจริญวิปัสนาโดยมีสมถะนาหน้า มักย่อมเกิดขึ้นวิธีเจริญที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นในแรกที่กล่าวถึงสมัตยานิกะดังคำพีดิกาอธิบายว่าปัธโมสมัตยานิกัสสะวะเสนะวุตโตในแรกกล่าวไว้โดยเนื่องด้วยสมัตยานิกะคำกล่าวที่ว่าเขาย่อมกำหนดรู้สมาธิ หรือทำคือจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับสมาธินั้นโดยสภาพไม่เที่ยงเป็นต้นแสดงวิธีการเจริญวิปัสสนาของสมถยานิกะว่าเขาควรกำหนดรู้สมาธิหรือจิตตสมาธิมีปีติเจตสิกเป็นต้นที่เกิดพร้อมกับสมาธิแม้คำกล่าวว่าโดยสภาพไม่เที่ยงเป็นต้น ระบุถึงวิปัสนาญาณตั้งแต่สมมสนาญาณเป็นต้นไปจนได้ความเป็นพระไตรลักษณ์แต่วิปัสนาญาณสองอย่างแรกคือนามรูปปริเฉทธญาณปัญญาอย่างเห็นการจำแนกรูปและนามและปัจจยปริฆหญาณปัญญาอย่างเห็นเหตุปัจจัยของรูปนาม ก็ได้รับการกล่าวไว้โดยปริยายแท้จริงแล้วยานทั้งสองนี้ไม่ได้เกิดก่อนจะเจริญสมถะภาวนาแม้อนิจจานุปัสสนาเป็นต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้โดยประสจากยานข้างต้นหมายความว่าสมถญยานิกะได้เจริญสมถะแล้วกำหนดรู้รูปนามด้วยยานทั้งสองนี้ ต่อจากนั้นเรากาหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นต้นดังนั้นคำนี้จึงเป็นสำนวนภาษาอย่างหนึง่งที่เรียกว่าประธานในคือสำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นประธานแต่มุ่งให้หมายถึงสิ่งอื่นๆที่ไม่เป็นประธานซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่เป็นประธาน คืออนิจจานุปัสนาเป็นต้นแต่เจตนาหมายถึงยานทั้งสองข้างต้นอีกด้วยเหมือนคำว่าราชาอาคติซึ่งหมายถึงการเสด็จมาของพระราชาและข้าราชบริพารอื่นๆถ้าถือว่าอนิจจานุปัสนาเป็นต้นเกิดได้ก่อนวิปัสนาญาณทั้งสองอย่างแรก ก็จะขัดแย้งกับคำพีปฏิสัมพิธามักและอื่นๆที่ได้กล่าวถึงวิปัสสนาญาเหล่านั้นเป็นลำดับแรกส่วนวิปัสสนาญาณิกะมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ส่วนโยคียบางคนในพระาศาสนานี้ไม่ได้เจริญสมถะตามประเภทที่กล่าวไว้แล้วย่อมกำหนดรู้อุปทานาขันห้า โดยความไม่เที่ยงเป็นต้นปัญญานี้ชื่อว่าวิปัสนาเมื่อมีความบริบูรณ์แห่งวิปัสนาสมาธิที่ทำให้จิตมีอารมณ์เดียวคือสัมมาสมาธิมรรคย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะธรรมคือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นในวิปัสนาจิตนั้นและอารมณ์ภายนอกเสียได้ สมาธินี้ชื่อว่าสมถะโดยประการดังนี้วิปัสสนาย่อมเกิดก่อนสมรถระย่อมเกิดในภายหลังดังนั้นจึงกล่าววา่าเจริญสมถะโดยมีวิปัสสนานำหน้าเมื่อเขาจเจริญสมถะโดยมีวิปัสสนานำหน้ามักย่อมเกิดขึ้นเขาย่อมเสพจเจริญอบรมมักนั้นเมื่อเขาเสพเจริญอบรมมรรักนั้นอยู่ สังโยชนย่อมถูกละอนุสัยย่อมหมดสิ้นไปพระดิกาจารย์อธิบายไว้ในคัมภีร์ดิกาว่าวิปัสสนาญานิกะมิได้เจริญสมถากรรมาฐานจนได้บรรลุอุปจารสมาธิหรืออ ป, ปนาสมาธิก่อนแต่เริ่มเจริญขณิกะสมาธิเป็นลำดับแรกและยังให้เกิดนามรูปปริเฉทยาน และปัจจะยะปริฆหายานซึ่งแสดงไว้โดยปัะธานานายัยแล้วจึงกำหนดรูปนามโดยความไม่เที่ยงตั้งแต่สมัสนาญาณเป็นต้นไปนอกจากนี้ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อวิปัสนาแก่กล้าแล้วสมถะคือสมาธิจึงเกิดขึ้นได้วิปัสนาที่แก่กล้าคือ วุฒฐานะคามินีวิปัสนาส่วนสมถะในที่นี้คือมัคคสมาธิแต่ในสมถะปุพพังคมนันัยคือในที่มีสมถะเกิดก่อนสมถะที่เกิดก่อนและวิปัสนาที่เกิดภายหลังเป็นโลกิยธรรมเหมือนกันชั้นใดแม้ในวิปัสนาปุพพังคมนันัย วิปัสนาที่เกิดก่อนและสมถะที่เกิดในภายหลังก็ควรเป็นโลกิยธรรมเหมือนกันฉะนั้นด้วยเหตุนี้สมถะในที่นี้จึงควรเป็นคณิกะสมาธิที่ประกอบกับวิปัสนาญาณแม้คัมภีอธกถาของอังคุตระนิกายก็กล่าวว่าผู้บำเพ็ญเพียรกระทําวิปัสนาให้เป็นเบื้องต้นคือทําให้เกิดขึ้นก่อน แล้วเจริญสมาธิหมายความว่าผู้บรรลุวิปัสสนาญาณโดยปกติจะดำรงอยู่ในวิปัสสนาแล้วจึงเกิดสมาธิวิปัสสนาญาณ3าระดับอนหนึ่งวิปัสสนาญาณแบ่งออกเป็น3ระดับคือ 1. ยานระดับสูงหมายถึงพังคยานเป็นต้นไปคณิกะสมาธิที่ประกอบด้วยยานนี้เป็นสมาธิแก่กล้าดังข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมพิามัคว่าวยะลักขณูปัฏฐาเนเอกตะความตั้งมั่นที่ปรากฏโดยลักษณะดับไปและข้อความในคัมภีวิสุทธิมัคที่แสดงเรื่อง พังขยานสองยานระดับกลางหมายถึงอุทพะ ย, ยานคณิกะสมาธิที่ประกอบด้วยานนี้เป็นสมาธิปานกลางดังคำพีวิสุทธิมาร์กกล่าวถึงยานนี้ว่าตุรุณาวิปัสนาวิปัสนาญาณที่ยังไม่แก่กราและกล่าวถึงผู้ถึงพร้อมได้ยานนี้ว่า อรัตถวิปัสสกะผู้ประรพวิปัสนาทั้งสอดคล้องกับพระบาลีที่กล่าวถึงองคุณของนักปฏิบัติ5ประการในข้อสุดท้ายว่าเป็นผู้ตามเห็นความเกิดขึ้นและดับไปความจริงแล้วยานนี้เป็นวิปัสสนาญาณขั้นแรกในญาณที่แก่กราบริบูรณ์ 3. ญาณระดับต่ำ หมายถึงนามรูปปริเฉทยานและปัจยะปริคหะยานคณิกะสมาธิที่ประกอบด้วยยานนี้เป็นสมาธิขั้นต่ำอย่างไรก็ตามนิวรห้าย่อมไม่เกิดขึ้นในขณะที่กำหนดรู้สภาวะธรรมในขณะนั้นวิปัสนาจิตจะหมดจดปราศจากนิวร ยานทั้งสองนี้จึงเกิดขึ้นอย่างเห็นสภาวะลักษณะคือลักษณะเฉพาะของรูปนามได้แม้คณิกะสมาธิในยานระดับนี้ก็มีกำลังเทียบเท่าอุปจารสมาธิเช่นกันมิฉะนั้นแล้วก็ไม่อาจอย่างเห็นรูปนามตามความเป็นจริงสมาธิจึงจัดเป็นจิตตวิสุทธิ ซึ่งเกือกูลแกยานทั้งสองนั้นดังข้อความว่าโยตัถะอวิเคปัตโถอะยังทิจิตตะสิกขาสภาพที่ไม่ซัดสายในวิปั ส, สนาจิตที่ประกอบนามรูปปริเฉทะยานและปัจจะยปริฆหายานนั้นชื่อว่าอธิจิตตะสิกขาในบรรดาวิปั ส, สนาญาณมีนามรูปปริเฉทะยานเป็นต้น การละโทษนั้นๆย่อมมีด้วยวิปัสนาญาณนั้นๆเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเหมือนการขจัดความมืดด้วยแสงประทีปล่าวคือการละสักยทิฏฐิด้วยการกําหนดรูปนามการละทิฏฐิที่เห็นว่าไม่มีเหตุหรือเห็นว่ามีเหตุที่ไม่สมควรด้วยการกําหนดรู้ปัจจัย การละความยึดมั่นอารมณ์ที่เป็นสังขารธรรมด้วยโคตรภูทั้งหมดนี้ชื่อว่าตทังคับปหานะการละด้วยเหตุคือวิปัสสนานั้นๆเมื่อคณิกะสมาธิแก่กล้ามากขึ้นความตั้งมั่นแห่งจิตเหมือนยานในสมถะภาวนาย่อมเกิดขึ้นแม้อารมณ์ที่เป็นรูปนาม จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพที่ปรากฏชัดความตั้งมั่นก็คงอยู่อย่างนั้นลำดับจิตที่เกิดก่อนและลำดับจิตที่เกิดภายหลังมีกำลังทัดเทียมกันสมาธิดังกล่าวต่างจากฌานในสมถะภาวนาคือฌานในสมถะภาวนารับรู้อารมณ์บัญญัติอย่างเดียวไม่ปรากฏความเป็นรูปนามทั้งปราศจากสภาวะของพระไตรลักษ แต่สมาธิของวิปัสสนารับรู้อารมณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงได้บ้างปรากฏความเป็นรูปนามเมื่อยานแก่กล้าขึ้นก็จะยังเห็นพระไตรลักษณ์ที่รู้เห็นความเกิดดับเป็นต้นดังข้อความในคมภีร์มหาดีกาว่าคําว่าคณิกะจิตเตกัคตาความตั้งมั่นแห่งจิตชั่วขณะมีความหมายว่า สมาธิที่ตั้งอยู่ชั่วขณะโดยแท้จริงแล้วสมาธินั้นดำเนินไปในอารมณ์ด้วยอาการเดียวอย่างต่อเนื่องไม่ถูกนิวรณ์ที่เป็นปฏิปักษ์กันครอบงำย่อมตั้งจิตไว้มั่นเหมือนฌานสมาธิที่หยั่งลงแล้วข้อความข้างต้นเป็นคำอธิบายที่พระดิกาจารย์สนับสนุนข้อความในคำพี อธิคตฐาของมหาสติปัฐานสูตรที่กล่าวว่าวิปัสนาจิตตั้งมั่นได้ด้วยคณิกะสมาธิในการเจริญอานาปานะว่าจิตตั้งสมาทหะโตผู้ตั้งจิตไว้มั่นโดยชี้ให้เห็นว่านอกจากสมาธิจะเป็นอุปจาระและอปนาแล้วแม้วิปัสนาคณิกะสมาธิ ก็สามารถตั้งจิตไว้มั่นได้เช่นกันคำว่าอารมณเนนิรัตตารังเอกาการนะปะวัตมาโนดำเนินไปในอารมณ์ด้วยอาการเดียวอย่างต่อเนื่องแสดงว่าเมื่อคณิกะสมาธิมีกำลังเทียบเท่าอุปจาระสมาธินิวรห้านั้นย่อมไม่เกิดขึ้น การกำหนดย่อมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคำว่าปฏิปักเคนะอนพัพพิภูโตอปิโตวิยะจิตตังนิจลังถะเปติไม่ถูกนิวรที่เป็นปฏิปักกันครอบงำย่อมตั้งจิตไว้มั่นเหมือนฌานสมาธิที่อย่างลงแล้วหมายความว่าคณิกะสมาธิที่เกิดพร้อมกับอุทยพยายาน และพังคยานเป็นต้นไปมีกําลังมากกว่าคณิกะสมาธิในยานต้ น, ตนโดยมีกําลังเทียบเท่าอ ป, ปนาสมาธิในสมถะภาวนาคณิกะสมาธินี้ไม่ถูกนิวรรบกวนและสามารถให้จิตตั้งมั่นเหมือนอั ป, ปนาสมาธิสรุปความว่าวิปัสสนาญาณิกไม่เจริญอุปจารสมาธิหรืออั ป, ปนาสมาธิ แต่เริ่มเจริญวิปัสนาโดยกําหนดรู้สภาวธรรมที่เป็นรูปนามได้ทันทีต่อมาวิปัสนาญานย่อมเกิดขึ้นเมื่อวิปัสนาญานแก่กล้าขึ้นตั้งแต่อุทพยญ า, านเป็นต้นไปแล้วสมาธิก็จะตั้งมั่นกว่าเดิมข้อความที่แสดงถึงสมถะปุพพังคมาในและวิปัสสนาปุพพังคมาในซึ่ง พบในคัมภีอธิกถาดังกล่าวมานี้สอดคล้องกับข้อความในคัมภีปฏิสัมพิธามักว่าชื่อว่าวิปัสนาเพราะเป็นสภาพอย่างเห็นรูปว่าไม่เที่ยงเพราะเป็นสภาพอย่างเห็นรูปว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการละอารมณ์ภายนอกความมีอารมณ์เดียวแห่งจิตความไม่สัดสายของธรรมคือจิตและเจตสิก ที่เกิดในวิปัสนาจิตนั้นชื่อว่าสมาธิโดยประการดังนี้วิปัสนาย่อมเกิดก่อนสมัะย่อมเกิดภายหลังจึงกล่าวว่าสมัะโดยมีวิปัสนานำหน้านอกจากสมัตปุพพังขมนันัยและวิปัสนาปุพพังขมันในแล้วในคำพีปฏิสัมพิธามักยังกล่าวถึงยุคคานัฏนใน แปลว่าในประกอบกันเป็นคู่มาให้ความว่านักปฏิบัติผู้บรรลุฌานได้เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปตามลำดับฌานโดยเข้าปฐมฌานแล ะ, จะเจริญวิปัสสนากำหนดรู้ชานาจิตหลังจากนั้นจึงเข้าทุติยฌานแล้วกำหนดรู้ชานาจิตอีกเข้าฌานตามลาดับ พร้อมกับเจริญวิปัสนาเมื่อออกจากฌานนั้นๆจนกระทั่งบรร ล, ลุมรรคในนี้นับเข้าในสมถะปุพพังคามานัยเพราะเจริญวิปัสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องหน้าทำมุตทัตจับปหานนในแปลตามสั์ว่าในละความฟุ้งซ่านในสภาวะธรรมหมายความว่าเมื่อวิปัสโนปกิเลสคือโอภาษ เป็นต้นเกิดขึ้นในขณะบรรลุอุทธพยาญาณแก่สมาธายานิกะหรือวิปัสสนายานิกะขณะนั้นนักปฏิบัติอาจสำคัญผิดว่าโอภาษเป็นต้นนั้นเป็นคุณธรรมพิเศษคือมรรคผลและสำคัญว่าตนนั้นได้บรรลุมรรคผลแล้วความสำคัญเช่นนี้ เป็นความฟุ้งซ่านในสภาวะธรรมเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านอย่างนี้รูปนามที่เคยปรากฏชัดก็จะไม่ชัดเจนการกำหนดรู้ย่อมขาดช่วงไม่ต่อเนื่องในขณะนั้นนักปฏิบัติไม่ควรใส่ใจต่อโอภาษ์เป็นต้นแต่ควรกำหนดรู้รูปนามตามเดิมเมื่อกำหนดดังนี้ความฟุ้งซ่านในสภาวะธรรม จะอันตรทานไปรูปนามย่อมปรากฏชัดเจนเหมือนก่อนการกำหนดรู้จะตั้งมั่นอยู่ในรูปนามที่เป็นอารมณ์ภายในเท่านั้นจากนั้นวิปัสสนาญานย่อมแก่กราตามลำดับจนกระทั่งบรร ล, ลุมัคคยานในดังกล่าวนี้นับเข้าในสมถะปุพพังคัมมนยัยและวิปัสสนาปุพพังคัมมนัยทั้งสองอย่าง เพราะเนื่องด้วยสมัตญาณิกะและวิปัสนาญาณิกะพระอัตถคตาจารย์จึงกล่าวถึงภาวนาในไว้สองประการเท่านั้นด้วยเหตุนี้วิปัสนาญาณิกะจึงไม่จําเป็นต้องเจริญสมถภ า, าวนาเพื่อให้เกิดจิตตวิสุทธิแต่ควรเจริญวิปัสนาได้ทันทีและกานิกะสมาธิที่เกิดขึ้นเมื่อ วิปัสนาญาณแก่กล้าก็เป็นจิตตวิสุทธิของบุคคลนั้น